อยอดเยยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ตามหนังสือวันที่วันทึกหนังสือตรงกับวันที่ยี่สิบสามเป็นวันอังคารของพฤศจิกายนสองพันห้ารอยสิบสี่และก็รู้สึกว่าเป็นวันที่สามของการบันทึกความทรงจำที่พูดนี่เป็นการวันทึกบรรณานุกรมในหนังสือ แต่ว่าการพูดนี้รู้สึกว่าจะเป็นพูดในตอนที่สิบเอ็ดคนละเรื่องกันเสียงที่พูดนี้เป็นพวเปเป็นการพูดวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบสองแต่ว่าจากทั้งสือปีนั้นมันจะตายก็ปเป็นวันที่ยี่บสามตรงกังคานพฤศจิกายนสองพันห้ารอสิบสี่ ที่พูดเป็นสองพันห้าร้อยยี่สิบสองโอ้ว่ามาถึงยี่ิบสองปีแล้วต <c oughs> าโน้ตือว่าเพราะว่าว่างเขียนตอนนี้เขียนนะมเขียนอยู่ไม่ได้กี่หน้าต่อไปเขียนไม่ไหวจะตายต้องบันทึกด้เสียงนั่งบันทึกไม่ไหวก็นอนบันทึกพอจะสิ้นลมปราณก็เลิกแรงไปไม่ไหวตอนนั้น ท่านที่ฟังตอนนี้หลายท่านเพราะท่านที่เป็นอรชีทั้งหลายคนจะนึกแช่งว่าไอ้บ้านนี่มันตายซะตอนนั้นก็ดีแหละไม่น่าจะมีเสียงมาพูดในตอนนี้เลยแต่ว่าบางเอิญตอนนั้นมันไม่ตายสิไอ้ตอนที่มันไม่ตายนี่แหละมันก็พบกับความระยำต่างๆของคนที่ทำลายพระพุทธศาสนา และทำลายความสามารถของคนในชาติอย่าลืมว่าเรื่องของาศาสนานี่เกี่ยวโยงกับชาติอย่างหนักเพรืะว่าถ้าคนแบ่งเอาเป็นหลายกลุ่มดูตัวอย่างในประเทศอินเดียคนในอินเดียกี่ร้อยล้านแต่ต้องไปขี้ค่าของอังกฤษซึ่งเป็นคนไม่กี่ล้าน แล้วเพราการไม่ถูกกันในเวองวัาสาสนารรมพวกศาสนาต่างๆก็พากันรบราข้าฟันกันคนก็แบ่งเป็น ก, ก๊กคนก็แบ่งเป็นกลุ่มกำลังใจไม่รวมกันในเมื่อกำลังใจไม่รวมกันกำลังกายมันก็ไม่รวมกันนี่เวลานี้ประเทศชาติอยู่ในสภาพอะไร <c oughs> เวลาที่พูดนี่ทั้งเสือทั้งสิงห์ทั้งกสุนัขจริงเปสุนัขป่า กำลังจะมาคาบเนื้อชิ้นสำคัญก็คือประเทศไทยแต่ว่าท่านดีถือว่าท่านเป็นผู้ทรงความดีบวชเข้ามาแล้วเป็นการทำลายราคะความรักโลภความโลภโทสะความกโกรธโมหะความหลง <c oughs> จัดว่าเป็นปูชนียบุคคล ที่ท่านมีความดีมีปริมาณมหาศาลแต่ว่าท่านพวกนี้ก็เอาปากเป็นตูดพูดไม่ออกแต่ท่านที่มีความพยาำยาททำลายทั้งชาติทั้งศาสนาและก็สร้างความเสื่อมเสียทั้งพระมหากษัตริย์เพราะว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ในนามว่าพระราชาคณะบางท่าน ที่กล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าถูกพวกนี้ทำลายจิตใจทำลายศรัทธาขบันดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ให้การสนับสนุนสร้างศูนย์กำลังใจขึ้นมาก็คือวัดในพระพุทธศาสนาและก็บริการีนสองสร้างส่วนสาธารณประโยชน์สงเคราะห์แก่คนผู้ยาก จ, จนในถิ่นธุรกันดาล แสดงว่าบรรดาพวกจังไรพวกนี้ทั้งหลายไม่ได้เคยเห็นความดีกลับโจมตีด้วยบริการทั้งปวงพวกนี้มีปริมาณไม่มากถ้าบางท่านได้รับยศถาบรรดาสัขึ้นมาผู้แต่งตั้งขรภอยเสียไปด้วยทางที่ดีท่านพวกนี้ในเวลาที่เขียนประวัติเไปรับยศ ก็ควรจะเอาประวัติอ น, นั้นมาและพิจารณาดูจริยาของพวกท่านทั้งหลายว่าก่อนที่ท่านจะรับยศนะ่ะท่านรายงานอะไรเข้าไปบ้างแล้วว่าใครเป็นคนรับรองจนกทั่งท่านถึงท่านผู้แต่งตั้งจึงได้เซ็นให้สําหรับผู้แต่งตั้งเนี่ยจะไปโทษท่านเลยเพราะว่าต่างคนต่างต้มต่างยํำกันขึ้นไปให้ท่านท่านจะไปนั่งดูให้มารู้เรื่องของทุกคนไม่มี แต่ถ้าว่าเวลาได้มันแล้วนี้ศีล ส, สมาธิปัญญามันสมบูรณ์ไหมที่พูดนี้พูดเพื่อพิสูจน์กําลังใจของคนดีหรือว่าคนเลวถ้าใครโกรธก็ผิดิริยาของพระพระเขาไม่มีการโกรธใครโลภก็ผิดจริยาของพระพระรรรรพระทาลายความโลภใครยุ่งอยู่ในกรรมคุณก็เลวมากเพราะพระต้องสละกามคุณ ใครยังหลงว่ามีทุนมียดถามันดาศักคนนั้นก็นเร็วมากเพราะว่าเป็นโลกกระทำอย่าโยมฟังกันไปเวลานี้เราจะรู้ตอนนี้ต้องสู้กันแล้ว <c oughs> เพราะว่าพวกนี้เราไหวกันมานานบางทีก็ไหวบางทีก็ขุนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอยากจะรู้ความดีหรือความชั่ว แต่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาธารณประโยชน์เป็นที่สบายใจเขาให้ชาชนทําคนให้มีความสุขจริยาที่สามารถสร้างคนให้มีสินห้าเป็นปกตินับจํานวนแสนแสนคนในระยะเวลาอันสั้น <c oughs> แต่ผู้นี้ก็พยายามทำลายด้วยประการทัองปวงก็แสดงว่าเขาได้รับสินสิ้นบายค่าสินบนจากค่าสิ ข, ของประเทศ <c oughs> แล้ก็รับสินบนจากค่าศึกเขว่าศาสนาญาติโยมเห็นด้วยไหมว่าคนระเภทนี้คนจะอยู่ร่วมกันในประเทศไทยต่อไปหรือไม่ที่พูดนี้เขาอาจเขาจะคิดว่าเ้าอาจจะหวังว่าชนะเวลานี้เขาจะนัจุดหนึ่งคือสินบนแต่ต่อไปถ้าบาังเอิญประเทศไทยต้องตกเป็นของบุคคลอื่น เขาก็จะมีจุดชนะอีกจุดหนึ่งว่าสิ่งที่นายเขาจ้างมาเนี่ยเขาก็ชนะด้วยและอันดับที่สามเขาก็จะชนะถึงที่สุดนั่นก็หมายความว่าดูอย่างนักศึกษาของประเทศเลาวที่ว่ากันโยโยโยโยยชักสึกเข้าบ้านชักน้ําเข้าลึกชักสึกเขา้าบาน แต่พอข้าศึกขึ้นมาก็ต้องเผ่นโดยข้ามแม่น้ําโขงมาประเทศไทยบ้างต้องตายไปสิบ้างนี่บุคคลประเภทนี้เขาจะชนะในที่สุดก็คือชนะความเป็นมนุษย์และก็ต้องตายไปเป็นสัตว์นรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ประหลานบ้างเราดูคนพวกนี้มาเวลาสี่สิบปีเสร็จ แต่ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจะลืมวิธีว่าที่ท่านดีจริงๆท่านมีอยู่ยกตัวอย่างให้สักองหนึ่งก็ได้นี่ไม่ได้ไปจบจะยุธฐาบรรดาศักดนะินั่นคือสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้จะมาไม่เคยคบหาสมาคมกับท่านเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่มาก แต่ว่าเคยเห็นท่านในที่หลายสถานบางทีพวกเราไปนั่งอยู่ก่อนท่านลงมาจากรถท่านไม่เคยมองซ้ายมองขวาว่าใครจะรุกรับฉันหรือไม่ก็ตามฉันไม่รู้ถึงก็เดินเข้าไปเขาจัดที่นั่งไว้ฉันที่ไหนฉันก็ไปนั่งไม่ได้จำเลียงมองซ้ายมองขวาว่าใครจะเคารพฉันในฐานนะเป็นสมเด็จพระสังฆราชบ้าง พระอย่างนี้ควรไหวไหมนี่เราพูดกันตอนที่ท่านดีนะแตาใครก็เห็นว่าท่านเสียตอนไหนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> และก็มีหลายวาระที่บังเอิญในงานนิมนต์บังเอิญมีการไปพบกับท่านในงานนิมนต์อันท่านก็ไม่รู้จักอัตมา แต่แต่มารู้จักท่านมาสมเด็จพระสงฆราชของ์ประเทศไทยมีองค์เดียวใครก็รู้จักแต่ว่าในงานนี้มนั้นท่านนั่งข้างหน้าแทนที่จะวางท่ายอย่างพวกเจ้ากิงกาได้ทองและเปล่าท่านก็นั่งทักพระตั้งแต่รองท่านลง ม, มาถึงท้ายที่สุดแล้วก็ตั้งใจพูดตามปกติไม่เคยไม่รู้ว่าจะเอาสังฆราชวางไว้ตรงไหน ท่านทำใจข้นท่านเสียงที่ออกมาจะดยาที่ออกเป็นพระปกติอย่างกันเองทุกอย่างนี่พระอย่างนี้เขาเรียกว่าพระวางคือวางความชั่วทรงความดีมีพระมวารคสีตัดนักติสีแค่นี้เราไหวก็ได้สนิทแต่ได้ว่าใครจะเห็นว่าสมเด็จพระสงราชองค์นี้เลวตรงไหนก็เป็นเรื่องหนึ่ง สำหรับบรรดาท่านสมเด็จทั้งหลายที่เอาแค่รู้จักนะที่ไม่รู้จักก็ต้องขออภัยท่านต้องดีหรือว่าจะมีสมเด็จอุไหนเลวก็เป็นเรื่องของท่านที่ไม่รู้จักเอาที่รู้จักที่เคยเป็นนวัตสการท่านอย่างสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์วัดสามปยาอันนี้นี่ไม่ได้ไปจบนะองค์นี้รับรองว่าไม่ตั้งยศธรรมบรรดาศัก์ให้แน่ แต่คือว่าตั้งยศธานบรรดาสักให้ก็จะถือว่ากินสินบนเพราะว่าเคารบในท่านเวลาไปหาท่านท่านไม่ได้วางตัวเปิดสมเด็จแล้วองค์นี้รู้สึกว่าเป็นพระขี้อายเวลาจะพูดกับใครไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินจะสร้างองนี้ก็หาฝ้าตังประจํากระเป๋าไม่ได้เหมือนกัน หาได้ยาเต็มทีมีเท่าไรใจหมดใจในสาธารณประโยชน์ทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่เป็นพระมหาฟื้นปอเ้าหรืออาจจะทํามาก่อนนั้นก็ได้แต่มาไม่รู้จักท่านโอ้นี้เวลาเข้าไปหาก็ไม่รู้ว่าตาสมเด็จไปวางไม่ตรงไหนเป็นเพีอยู่ในฐานะหลวงพอ่อสําหรับสําหรับสมเด็จพระพุทธพระมหาวีรวงศ์นี่เป็นธรรมยุทธ สมเด็จพระมาหาวีรวงศ์วัดราชพัฒิการามและวัดส้มเกลียงองนี้ก็ไม่กันท่านเอาธรรมยุทธไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้และท่านก็เอาสมเด็จไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่ทราบเวลาไปหาท่านท่านไม่มีสมเด็จแล้วก็ท่านไม่มีธรรมยุทธท่านเป็นพระทินารักษ ถือว่าเป็นกันเป็นกันเองทุกอย่างแต่จะมาก็ไม่ไปตีเสมอแล้วท่านมีบุญวา ส, สนาบารมีแต่ก็ต้องชมในความดีของท่านที่ท่านไม่เมานิยุศฐานรรดาศักดิ์องค์นี้ก็เหมือนกันวัดวารามันจะหาที่เดินไม่ได้อยู่แล้วสร้างเส้เต็มไปหมดแล้วสร้างภายในก็ไม่พอก็สร้างภายนอกด้วยวัดสามพญายก็เช่นเดียวกัน ตานี้องหนึ่งที่รู้จักก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์วั ส, สุทัศน์องนี้ว่าถึงเรื่องสมเด็จนะองนี้ก็เหมือนกันสตังไม่มีรรมทำยาแจกทางานก่อสร้างสาธารณประโยชน์ไม่รู้ว่าสมเด็จไปวางตรงไหนเวลาเข้าสมาคมทีไรกับพูดกับคนน้นคุยคนนี้อย่างกันเองและทุกอย่าง นี่ก็บอกว่าประเภทคางคกพื่นจะขึ้นบอใหม่ๆมันมักจะบ้าแต่แล้ ว, ว่าปีที่ท่านได้สมเด็จพระพุทธาจารย์ปีแรกไปพบ ก, กับท่านในงานบังเกิดเขาสมเด็จวระสามพยาแต่ท่านไม่ยักบ้าตามที่คางคกขึ้นบอ อักลับพูดคุยกับใครต่อใครพระเด็กพระเล็กฉันไม่รู้ก็จะบทปกีภาษาฉันไม่ทราบเป็นอะไรบ้างฉันก็ไม่รู้พูดล้ อ, อคนนั้นคุยกับคนนี้แบบกันเองแบบเพื่อนอันนี้เป็นความดีของท่านแต่ว่าเราเป็นเด็กผู้ใหญ่ทอมตนลงมหาเด็กเป็นความดีของผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กขยิงขึ้นไปเสมอผู้ใหญ่เป็นความเลวของเด็ก เมื่อท่านย่อลงมาแล้วก็ต้องย่อต่ำลงไปนี่เป็นเรื่องธรรมดาเอาแค่สมเด็จ ก, กันนะแล้วว่าสำหรับท่านที่ช่วยเหลือนะมีเยอะขอขอบคุณท่านที่ท่านดีนะใครอยากจะรู้ว่าที่เห็นว่าองค์ไหนดีบ้างมาถามและอย่าจะทราบว่าองค์ไหนได้ยาบ้างก็มาถามได้เหมือนกันเพราะว่าสัมผัสกับนักบทเลวมามากในอีกสมเด็จหนึ่งที่น่าเคารพ อีกเหมือนกันนั่นก็คือสมเด็จพระวรนรัตเห็นจะเป็นวัดสมณนัดปัจจุบันโอ้นี้ไม่รู้จักท่านไปในงานสมเด็จพรธโคสาจายัยเข้าไปท่านก็นั่งอยู่ ไ, ไกลเราก็ไม่รู้จักว่าถ้ามีใครเนี่ยสมเด็จใหญ่ท่านก็ไม่ไรไม่ได้แจ้งให้ทราบก็นั่งอยู่เฉยๆใกล้ท่านไม่รู้ว่พระอะไร และท่านก็ไม่วางท่าเสียด้วยว่าวันฉันเป็นสมเด็จพระวรรดินะวย้ยไม่มีท่าทางสมเด็จก็ไม่มีเป็นได้รู้สึกว่าจะเรียกพระหลวงตาก็ไม่ได้ไม่ได้วางท่าหลวงตาสิอีกแอบไปวางท่าแบบพระชันดีเรียบร้อยทุกอย่างคุยก็ใครแต่ใครเห็นท่าก็คุยใครไปก็คุยคนไข้คนจะแค่ไหนก็ตามจะไม่รู้อ่ะ ในเมื่อนายไปหาฉันฉันก็คุยไปปกติพอเวลาเป็นนั่งอรสองฆ์จะสวดมนต์ก็เห็นว่านั่งหน้าสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์สมเด็จสมเด็จพระพุทธาจารย์วัชสุทัศษ์นึกสงสัยยันได้กราบเรียนหลวงพ่อสมเด็จพุทธโคสาจารย์วัดสัมปญาว่าหลวงพ่อครับอันนี้แต่มาก็ไม่เคยเรียกว่าหลวงพ่อสมเด็จเรียกหลวงพ่อเฉย เพราะว่ามีความเคารพเหมือนพ่อกราบเรียนถามว่าพระองค์หน้านะ่ะพระอะไรครรพท่านบอกว่าสมเด็จสมเด็จพระวรรณรัตนวสุวรรณัตนยังไงล่ะแต่วัดนี่ถ้าจําผิดจะขอภัยด้วยนะว่าสมเด็จวรรณรัตน์แน่แต่วัดอาจจะจําผิดปกตายจริงหมพ่อผมไม่ทราบว่าท่านเป็นสมเด็จพระวรรณรัตน แต่ก็ผมไม่รู้ว่าใครไม่กี้หรือไม่ได้นมัสการท่านแต่ที่จะผมจะไหว้ท่านนะผมไม่ไหวส้สมเด็จเนี่ยครับผมไหว้ความดีของท่านผมนั่งดูท่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงเห็นท่านว่าจิปาถานี่ยใครไปใครมาก็คุยปกติหลวงพ่อวัดสามัยยาก็เลยบอกท่านเป็นอย่างนั้นแหละท่านเป็นอย่างนี้มานานแล้วท่านไม่รู้หรอกท่านเป็นสมเด็จหรือเปล่า เพราะว่าท่านไปไหนถ้ามันได้แบกยศไปบอกเอออย่างนี้ก็ดีทันก็แบบเดียวกับหลวงพ่อวัดสัมปัญญาหลวงพ่อวัดราชภาผดิการามหลวงพ่อวัดสุทัศน์คนนี้ก็ลืมแบกสมเด็จไปเหมือนกันแล้วก็เ อ, อ๊ะพระแบบนี้มัควรไหว้นี่ก็เลยบอกว่าจะเริ่มสวมดมนต์ใอย่างครับเรียนท่านเดี๋ยวผมจะไปไหว้ท่านท่านก็บอกดีดีดีดองนี้ไหว้ได้ดีมาก ดีมากถ้าหลวงพ่อบอกว่าดีมากแล้วก็ต้องเชื่อ ว, ว่าดีแต่ว่าใครจะเห็นว่าเลวตรงไหนก็ไปเรื่องของคนที่เห็นว่าเลวก็เลยเข้าไปนามาเดียการท่านไปกราบท่านลงที่ตักกราบดีนะไม่ได้กราบสมเด็จให้เรียนกราบสมเด็จเนี่ยไม่กราบหรอกเพราะสมเด็จเป็นโลกธรรมเป็นยศที่จัดว่าเป็นโลกธรรมพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ แต่ว่าคนที่เป็นสมเด็จแล้วไม่ได้แบกสมเด็จไปไหนอันนี้ใช้ได้คนจะแบกเข้าไปเฉพาะในงานราชบิธีแต่ในงานนี้ท่านแบกกันแน่เพระจำจะต้องแบกแต่ได้ว่าท่านก็แบกไปแต่พัดแต่ใจถ้าไม่ติดอยู่ในพัดก็ไปพบกันในงานราชบิธีบ่อยๆทุกๆสมเด็จอ่ะนะท่านก็เฉยๆเจอหน้าเจอตาเท่านัทักอย่างกันเองไม่ไปเนยวางท่าแบบสมเด็จ อ๋อไมกราบท่านให้เขจับมือท่านถามว่าใครใครใครก็พอดีไม่ใช่ไม่ทราบว่าใครเห็นจะเป็นก็ได้ ก, การในท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นช่างภาพคือถือกล้องถ่ายภาพท่านก็รายงานบอกว่าองค์นี้คือท่านฤาษีดิ่งดำครับบอกท่านก็เลยบอกอ๋องั้ยเลยท่านเลยตายจริงปาจริงไม่รู้จักเอาละช่างภาพเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดวหันหน้าไปทางกล้องดลคุณเดี๋ยวขอถ่ายภาพรวมด้วย ตอนนี้เดตนมาไม่ได้ไปชมท่านตรงนั้นนะไม่ได้ไปชมท่านต้องนนะอขอตอนข อ, อขอถ่ายภาพรวมด้วยแต่ขอชมในความดีของท่านแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงท่านดีแล้วนี่เป็นว่าพระที่ดีท่านก็มีเยอะนี่เราเอากันมาแค่สมเด็จนะแต่พระราชาคณะก็ดี พระมหาปรีญาก็ดีที่พระครูก็ดีที่มีก็มีเยอะแต่ก็เป็นหน้าเส้นดายบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายแต่เวลาดีนี่ท่านไม่เคยเอาดีมาพูดปล่อยให้คนลยย้ำพูดอยู่ได้อย่างสมเด็จวัตถุโกศาสาจารย์ไาสัมภยาก็ไม่กันปีรับยศใหม่ๆอาจจะมาเวลาที่รับยศใหม่ๆจะมาไม่ไป ต่อไปไม่ได้มันติดงานยกช่อฟ้าหรือว่ายกติดงานพระอุโมสถหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าอีกสักเดือนหนึ่งก็ไปหาท่านเวลาไปหาก็พาญาติโยมปฏิกันประมาณสักร้อยคนทุกคนไม่มีเครื่องสกสาระติดมือไปเลยไปไหว้กันเครื่องสกสาระของเรามีแล้วคือมือมือสิบนิ้ว ไปถึงก็ไปกราบกราบก็ได้กราบเปลี่ยนั้งว่าหลวงพ่อครับผมก็ดีญาติโยมก็ดีที่มาที่นี่ไม่ได้มาหาสมเด็จเนี่ยครับมานำมเแการหลวงพ่อท่านก็แทนที่ท่านจะโกรธฮะแปลกแต่ที่พวกเราไปกันจริงๆก็เจตนาเป็นอย่างนั้น <c oughs> เราไม่ได้ไปหาสมเด็จ ก, กันแต่ว่าพระมันในเมื่อพระบาทสมเด็จพีะ้หัวถวายตําแหน่งสมเด็จเข้ามาก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องการนะ่ะสมเด็จต้องการหลวงพอ่อท่านก็นชี้มือไปดูเครื่องสกสาระนี่ทมไปคนอื่นเข้ามาทมไปมันก็วางอยู่ตรงนี้ไอ้มาแบบนี้ที่ว่ามันดีมันถูกใจทั้งผู้มาและถูกใจทั้งผู้รับ และก็ประวัติย่อเท่าทีา่ทราบว่าสมเด็จมาสมเด็จพุทธพุทธโกสารอาจารย์วัสมัยานีเวลาเขาจะให้ยศเขาแจ้งมารู้สึกว่าเป็นเวลาประมาณห้าวันเป็นการที่หนีไม่ได้เพราะคราวก่อนท่านหนีมาทีแล้วทาไม่ยอมรับร้อมกับสมเด็จพระราชวัตรราชภาธิการาม เมื่อเขาแจ้งมาแล้วท่านก็ยังไม่ยอมแพ้จะหาทางไม่รับวีโต้ดิมประการทั้งปวงแต่ผลน้สุดริยะเวลามันสั้นท่านก็สู้เขาไม่ได้ท่านก็รับตำแหน่งสมเด็จเมื่อรับแล้วท่านก็วางไว้ใช้แต่ในราชวิธีท่านไปที่วัดราชภาดีการามท่านก็รายท่านก็เลียงท่านก็แต่งให้ทราบท่านจใทราบว่า ก็จะรู้ได้ก็ห้าวันเขาจะตั้งซะแล้วแนึกถามว่าหลวงพ่อทํำยังไงล่ะก็จะทํายังไงแหละคุณในเมื่อสู้เขาไม่ได้ก็ น, นอนแผ่ไปเลยท่านให้ท่านไหวามากรับนี่เป็นอนุสาวรีสมเด็จนี่จะท่านจะได้ไวเขาแจ้งมาเวลาระยะสั้นที่สุดครา้นี้พ่ออะไรเพราะว่าเคยมีประวัติครั้งหนึ่ง ก่อนหน้านี้ทั้งสององค์เขาจะแต่งตั้งมีไม่ใช่พระเจ้าแผนดินนะคือพระทั้งพร้อมใจกันจะแต่งตั้งเป็นสมเด็จแต่ปรายกฏว่าวัดสามพยาไม่ยอมรับเพราะวัดสามพญาไม่ยอมรับข่าวมาถึงวัดราชพานิการาม <c oughs> แทงวัดราชพานก็บอกว่าถ้าหากว่าวัดสามพญาไม่รับฉันก็ไม่รับ อันนี้เป็นข่าวเป็นข่าวจากข้าดการชัน้นผู้ใหญ่แอทิบดีกรมการศาสนาศาสนาเวลานั้นมาแจ้งให้ทราบแล้วพอมาข้างหลังนี่ก็เหมือนกันก็ปรากฏว่าท่านมาเกิดจะไม่รับนยะยเวลาห้าวันคือวัน3ารพยาถ้าทิบดีกรมการศาสนาเวลานั้นก็มาที่วัดอาตมามาถามว่าท่านยังไงล่หลวงพ่อ หลวงพ่อวัดสามไมยากเกิดจะไม่รับสมเด็จขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> เลยบอกว่าการที่จะถวายเนะี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปถามว่าท่านจะรับหรือไม่รับเพราะว่าท่านไม่ได้ขอถ้าว่าท่านขอให้เราตั้งนี่เราก็ควรจะพิจรารณาว่าเราควรจะให้หรือไม่ให้แต่ว่าคณะสงฆ์ส่วนใหญ่เห็นชอบในความดี แต่ตั้งข่ายฆราวาสมีคณะขรรการในอะไรก็ไม่รู้ขเขาาตั้งกันในไม่เคยได้รับยศไม่รู้ว่ากราวาสใครครับพิจนารณากันบ้างเห็นสมควรและก็โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งตําแหน่งสมเด็จเป็นตําแหน่งใหญ่ถ้าพระบาทสมเด็จยร่เหัวเห็นสมควรด้วยเราก็ไม่จําเป็นต้องฟังเสียงท่านเราจะถวาย เมื่อเราจะถวายท่านทำมาแล้วไม่ถามท่านมีหน้าที่อย่างเดียวถวายหนังสือแจ้งให้ทราบกําหนดวันรับพผลแล้วก็ท่านจะวีโต้มาแบบไหนเราก็ไม่ทราบเรามีหน้าที่ถวายข่าวแต่เราไม่มีหน้าที่รับโต้ข่าวในเมื่อท่านจะโต้ก็ให้ไปโต้กับคนตั้ง เรามามีหน้าที่ในการเดินถ้าที่พดีกรมการศาสนาเวลานั้นคือคุณวัชระก็บอกถ้ายงั้นก็ดีเขรับผมก็จะขอปฏิบัติตามนี้นะเดี๋ยวถ้าจะมาฟ้องถานมินประมาทไม่ได้นะถ้าพูดพลาดไปก็ทานองนี้แหละก็พูดกับทานองนี้ก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องรับฟังเราไม่มีหน้าที่ฟังมีหน้าที่อย่างเดียวเป็นคนเดินองือ เราก็ทำตามหน้าที่เท่านั้นในที่สุดในตำแหน่งสมเด็จพระเโสาจารย์ท่านก็ต้องรับสำหรับสมเด็จพระมหาวีรบรมวงศราะภา ร, รู้ตัวว่าแก้ก็ไม่ไหว้แต่ัเลยบอกก็ไม่รู้จะทำไงฉันก็นอนแผ่ไปเลยนี่แบบนี้นะพอหานันบดายาโยมพระบริษัท และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดสามพญานี้ไม่รับเรื่อนเลื่อนตาแหน่งยศมาหลายวาระแล้วก็ทํางานเป็นสธนาธารณประโยชน์ไม่ใหญ่วัดสุทัศน์วรจพาก็เหมือนกันแล้วงานช่วยที่มีความสําคัญต้องขออภยัยบรรดาเบื้อคุณท่านที่เป็นพระราชาคณะเป็นเบื้อครูเป็นมห ah าปริญตริงเก้าในปีเป ร, เรอ ที่ช่วยกิจพระศาสนาที่ธรรมากําลังทําอยู่นี่ท่านดีมากแต่จะมากล่าวกันในที่นี้มันไม่ไหวหรอกหนังสือตั้งสิบเล่มก็ไม่พอนี่สําหรับพวกตัวริยมสิที่จะรับแต่งตั้งแล้วก็เมายศถาบรรดาศักดิ์ในโลกธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานอกจากเคารพในพระธรรมวินัย ที่เรียกกรรมศีลทรงสมาธิให้มันตั้งมั่นเป็นฌานสมาบัติใช้ปัญญาพิจารณาตักกิเลสที่เป็นสมุเทเฉตปราหารแล้วก็จะต้องหนึ่งไม่ติดอยู่ในโลกธรรมไม่ติดอยู่ในลาบไม่ไม่เสียใจในลาบเสื่อมไม่ติดอยู่ในยศไม่ไม่ในเมื่อยศถาบรรดาสักสูญสลายตัวไปเราก็ไม่เกี่ยว ไม่ติดในนินทาคือไม่ข้องใจในนินทาไม่สนใจในสนเสริญไม่ติดอยู่ในสุขไม่ติดอยู่ในทุกข์ไอติดสุขได้ชอบใจติดทุกข์ไม่ชอบใจอันนี้เป็นโลกธรรมแต่เวลาที่เขาจะแต่งตั้งนะ่บรรยายความตำาทยเสด็จญาตทั้งความดีก็ไไปมากแต่ได้ว่าอาตมาเองได้รับการสัมผัส มันได้รับการกระทบกระเทือนมากเกี่ยวกับเรื่องของพระศาสนาและเกี่ยวกับงานนักสาธรารณประโยชน์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทคนประเภทนี้เขาไม่เรียกกันว่าคนเขาเรียกกันว่าเปรตที่เรียกว่าระทัตตตูปชีวีเปรตระทัตตตูปชีวีเปรตนะจะมีชีวิตอยู่ได้กับพระอาศัยคนอื่นเขาให้กินคือทิศสุขสน คนประเภทนี้ที่หลอกลวงบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็เช่นเดียวกันเพราะเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะทรย์สิ่งของท่านอรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ว่าจะพูดกันให้มันดีนะก็พูดดีที่สุดอยู่แล้วคือว่าเอาดีมาพูดกันว่าที่ท่านดีก็มีอยู่มากแต่ที่ท่านระยำก็มีอยู่แต่ปริมาณไม่มากเท่าคนดีเท่าพระดี แต่ว่าเสียนไดยที่พระดีเนี่ยทำไมจะไม่พูดเอาปากไปเป็นตูดพูดไม่ออกก็ยังไงปล่อยให้คนณะยำทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปรงชนชาวไทยมีเสียงอยู่ด้นในปัจจุบันตอนนี้ไปบอกคอปแรงกาศว่าขอสู้กันด้วยตะ ก, กณีทั้งปวงถ้าท่านมาด้วยเสียงเราก็อย่าสู้ในเสียง อ่านมาด้การแกล้งในกรณีใ ด, ดนั่นเป็นเรื่องของรู้สิทธุขหาที่เวลานี้มีปริมาณสามแสนเศษ จ, จะต้องจัดการไปตามประเพณีเป็นเรื่องของเขาเราไม่สั่งสําหรับวันนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านต้องขอลาก่อนว่าจะพูดให้มันดีสักหน่อยนะแต่ดีแล้วนี่ดีสําหรับอรัชีที่หน้าด้านไม่รู้สึกว่ามีความอาย เมื่อเวลาหมดไปเลยไปหนึ่งนาทีก็กขอภัยทางสถานีด้วยช่วยภัยให้ตอนนี้ไปก็ขอลาก่อนขอความสุดสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ปูณผลจงมีแดบันดา่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี